بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط العاشر ويحتوي على سور الحج المؤمنون النور والفرقان נאנםบท الحج บท มี 78 องค์การโดยกล่าวถึงด้านต่างๆของการตราพระบัญญัติเช่นเดียวกับบทมดานิยะอื่นๆซึ่งให้ความสนใจทางด้านนี้ทั้งๆที่บทนี้เป็นบทมดานิยะแต่ตัวบรรยากาศของบทมักกียะได้เข้าครอบงําอยู่มิใช่น้อยยังมีเรื่องการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพการตักเตือนการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและสภาพของวันกิยามะห์ ตลอดจนเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในวันนั้นยังเป็นภาพที่เด่นชัดในบทนี้จนกระทั่งผู้อ่านเกือบจะวาดมโนภาพว่าเป็นบทมักกียะนอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตราพระบัญญัติต่างๆเช่นอนุญาตให้มีการสู้รบกฎเกณฑ์ต่างๆของการทําหัจญ์และการทําหัจญ์การเชือดสัตว์พลีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบทมะดะนียะห์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 มันไม่ใช่เป็นเพียงการพังทลายของตึกรามบ้านช่องเท่านั้นหาดแต่ความกราหนในวันนั้นยังทําให้แม่ตกตะลึงลืมให้นมแก่ลูกของนางหญิงที่ตั้งครรก็จะคลอดลูกของนางออกมาก่อนกําหนดมนุษย์ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้โดยมีสภาพเหมือนคนเมาทั้งๆที่เขาไม่ได้ดื่มสุราหรือของมึนเมาใดเลยแต่ทว่ามันเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัว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 ทั้งนี้เป็นการชี้แจงถึงแนวทางของอัลเลาะห์ในการประกาศเผยแพร่และให้ความอบอุ่นใจกับบรรดามุสลิมถึงบั้นปลายที่พวกตนทั้งหลายจะได้รับในตอนสุดท้ายของบทได้ยกอุทาหรณ์ในการเคารพสักการะรูปปั้นจเวตของพวกปฏิเสธศรัทธาโดยชี้แจงว่าสิ่งที่ถูกสักการะหรือพวกจเวตเหล่านั้นไม่มีความสามารถ ในการที่จะให้บังเกิดแม้กระทั่งแมลงวันสักตัวหนึ่งอะไรซี่กเล่าที่จะบังเกิดมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ได้ยินได้ฟังได้เห็นและได้เรียกร้องให้ดําเนินตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นต้นตระกูลของการอีมานศรัทธาและแก่นสําคัญของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ชื่อของบทที่เรียกชื่อบทนี้ว่าอัลหัจญ์ ก็เพื่อเป็นการรําลึกถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขณะที่เสร็จสิ้นจากการสร้างอัลกะบะฮ์และได้เรียกผู้คนไปทําฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์อัลหะรอมบรรดาขุนเขาก็ยอมนอบน้อมจนกระทั่งเสียงเรียกร้องของท่านได้ยินไปทั่วทุกสารพัดแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในกระดูกสันหลังของชายและในมดลูกของหญิง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 พวกเจ้าจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดเพราะแท้จริงการสั่นสะเทือนของวันสิ้นโลกนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งนักเยาวมะตารูนฮาตัซฮะลุกุลลุมุดดิอะติอัมมาอดดะอะตุวะตดะอะกุลลุซาติฮัมลินฮัมลาฮา وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وان دي พวกเจ้าจะเห็นมันคือแม่นมทุกคนจะตกตะลึงลืมสิ่งที่นางกําลังให้นมแก่ลูกอ่อน และยิ่งตั้งครรภ์ทุกคนจะคลอดลูกที่อยู่ในครรภ์ของนางออกมาและเจ้าจะเห็นมนุษย์ในสภาพมึนเมาทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เมาแต่ทว่าการลงโทษของอัลเลาะห์นั้นรุนแรงยิ่งนักออมีนันนาซีมันยูจาดีลฟิลลาห์บิไฆรอิลมวะยัตตะบะอูกุลลชัยฏอนมารีดและในหมู่มนุษย์นั้น บางคนจะโต้เถียงในเรื่องของอัลเลาะห์โดยปราศจากความรู้และเขาจะปฏิบัติตามชัยฏอนทุกตัวที่ดื้อรั้นกุนชีบะอะลัยฮิอันนะฮูมันตะวัลลาฮูฟะอันนะฮูยุดิลลุฟะอันนะฮูยุดิลลุวะยฮดีฮูอิลาอาดาบิสซะอีรโดยมีกำหนดไว้ว่าแท้จริงผู้ใดยึดมั่น शैतान เป็นมิตรสายแล้วแน่นอนมันจะทําให้เค้าหลงทางและนําไปสู่การลงโทษที่มีเปลวไฟลุกโชน يا ايها الناس انكم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى وَخَلَقَ جُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لِّكَيْلَا لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍโอ มนุษย์เอ๋ยหากพวกเจ้ายังอยู่ในการสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพแล้วไซ้แท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าจากดินและจากเชื้ออสุจิ และจากก้อนเลือดและจากก้อนเนื้อทั้งที่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์และไม่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์เพื่อเราจะได้ชี้แจงพวกเจ้าและเราได้ให้การตั้งครรภ์เป็นที่แน่นอนอยู่ในมดลูกตามที่เราประสงค์จนถึงเวลาที่กําหนดไว้แล้วเราได้ให้พวกเจ้าคลอดลูกออกมาเป็นทารกและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสุวัยชกัน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 เป็นคู่คู่ดูสวยงามตานิกะบินนัลลอฮุวะลฮักกุวะอันนะฮุยุฮิลเมาตะวะอันนะฮุอะลาวะอันนะฮุอะลาคุลลีชัยอินกอดีรนั่นก็เพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงสัจจะแท้จริงพระองค์ทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นและแท้จริง พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งว่าอันนะซาอะตอานติยะลาไรบะฟีฮาวะอันอัลลอฮยะบะอ์ซุมันฟิลกุบูรละแท้จริงวันสิ้นโลกจะมาถึงอย่างแน่นอนโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆและแท้จริงอัลลอฮจะทรงให้ผู้ที่อยู่ในสุสานฟื้นคืนชีพขึ้นมา وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ਲ ਨੈ ਮੂ ਮਨੁਤ ਨੰਨ ਬੰਕ ਕੋਨ ਚਾ ਤੋਠੀਅੰ ਕੰਨ ਨੈ ਰੇਉਂਗ ਖੋਂ ਅੱਲ੍ਲਾ ਦੋਇ ਪ੍ਰਾਤਸਾਜਾ ਕਵਮ ਰੂ ਲਾ ਦੋਇ ਪ੍ਰਾਤਸਾਜਾ ਨੈਓ ਤਾੰ ਥੀ ਠੂਕ ਟੋਂਗ ਲਾ ਪ੍ਰਾਤਸਾਜਾ ਕੰਪੀ ਥੀ ਮੀ ਲਕਥਾਨ ਅੰ ਚੱਤਜੈ ثاني يعطوه في ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقهم يوم القيامه عذاب الحريق เขาจะเอี่ยวตัวเขาไปอย่างยะโสเพื่อให้ผู้คนหลงจากทางของอัลเลาะห์สําหรับเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และเราจะให้เขาลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟลุกไหม้ nai wan paralok zalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha laysa bidhallamin lil'abid nan pra wa mue thang song khong chao dai tham wai lae thae jing allah nan cha mai song atham to puang baw wa minan nas man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khairun yutma'an bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين لاในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ บนขอบทางของศาสนาหากความดีประสบแก่เขาเขาก็พออุกพอใจต่อสิ่งนั้น หากความทุกข์ยากประสบแก่เขาเค้าก็จะผินหลังของเค้ากลับสู่การปฏิเสธเค้าขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั่นเป็นการขาดทุนอย่างชัดแจ้งยะดูอูมินดุนอัลลอฮิมาลายัรุฮุวะมาลายันฟะฮุซาลิกะฮุวัลฎอลาลุลบะอีดเขาได้วิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์<เข> ซึ่งมันไม่ให้โทษและก็ไม่คุ้มแก่เค้านั่นเป็นการหลงผิดที่ไกลลิพย์ยาดูอุลามันดบอักรบมินนฟิลบีสัลมะอูลาวะลบีสัลอชีรเค้าวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันแน่นอนมันเป็นการลงโทษที่ชั่วช้าแท้ๆและมันเป็นสหายที่ชั่วช้าจริงๆ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد فاتين الله ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลาย เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์มันใครจะคิดว่าอัลเลาะห์จะช่วยเหลือพวกเขาในดุนยาและอาคิเราะห์ก็จงยืดออกก็จงยืดด้วยสาเหตุไปสู่ท้องฟ้าแล้วตัด فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يِغِظُ قُدายดิคิดว่าอัลเลาะห์จะไม่ส่งช่วยเหลือเค้า มุฮัมมัดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จงให้เค้าผู้นั้นต่อเชือกขึ้นสู่ท้องฟ้าและเค้าตัดมันออกคือผูกคอตายแล้วให้เค้าเฝ้าดูว่าแผนการของเค้าจะทำให้สิ่งที่เค้าเกลียดแค้นหมดไปไหม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 بندار ผู้ศรัทธาและบรรดาชาวยิวและพวกกราบไหว้ดวงดาวและชาวคริสต์และพวกบูชาไฟและบรรดาผู้ตั้งภาคีแท้จริงอัลเลาะห์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันปรโลกแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะทรงเป็นพยานแก่ทุกสิ่งอะลัมตะรออัลลอฮยัสจุดละฮูมันฟิสสะมาวาตวะมันฟิลอัรฎ์ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُเจ้า ไม่ได้เห็นหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์เท่านั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายและภูเขาทั้งหลายและต้นไม้และสัตว์ ต่างก็กราบนอบน้อมต่อพรหมแต่ส่วนมากการลงโทษจะเหมาะสมคู่ควรแก่เขาและผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงทําให้อัปยศก็จะไม่มีผู้ใดให้เกียรติเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ฮาซานีคอซมานิคตัสมูฟีร็อบบิฮิมฟัลละซีนกะฟะรูกุตตออะละฮุมฟิยาบุมมินนาริย็อดุมมิน فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ لَحْمِيمٌ คู่โต้เถียงทั้ง 2 ฝ่ายนี้ต่างก็โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมีเสื้อผ้าที่ทําด้วยไฟตัดไว้สําหรับพวกเขาน้ําร้อนเดือดจะถูกเทราดลงบนศีรษะของพวกเขา يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ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 ครั้งที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากนรกเนื่องจากความทุกข์ยากพวกเขาก็ถูกนํากลับไปในนั้นอีกมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟเผาเถิดอินนัลลอฮะยุดคิลุลละซีนอามะนูวะอามิลุสศอลิฮาตญันนัตญันนะตินตัจรี <Sid> اشتها الانهار يحللون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فاجل الله ترส่งให้บรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลาย ณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะถูกสวมใส่กำไลของมือที่ทำจากทองคำและไข่มุก และเสื้อผ้าของพวกเขาที่สวมใส่ในนั้นก็เป็นผ้าใหม่วะฮดูอิลัตตอยยิบมินัลกอลิวะฮดูอิล่าศิรอฏิลฮะมีดและพวกเขาจะถูกนำสู่คำพูดที่ดีมีประโยชน์และจะถูกนำสู่ทางที่ได้รับการสรรเสริญคือสวนสวรรค์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 अल्ला तुशरिक बिشيऔ व तहहिर बैती लिल्ताइफिन व तहहिर बैती लिल्ताइफिना वल काइमीना व अदकु अलसुजूद ละจงรำลึกถึงเมื่อเราได้ชี้แนสถานอัลบัยคืออัลกะบะแกอิบรอฮีมว่าเจ้าอย่าตั้งภาคีใดๆต่อข้าเลย ละจงทําบ้านของข้าให้สะอาดสําหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้ดุอาอ์และผู้ซูยูดผู้ปฏิบัติละหมาดวะอัซซียะฟินนาซีบิลฮัจญ์ยาตูกะริดะลาวะอะลากุลลิฎอมีรินยาตีนะมินกุลลิฟัจญ์อามีกละจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทําหะญ์ لَبَوْا كَوْنَ جَاءَ إِلَيْكَ بِالْأَقْدَامِ وَبِكُلِّ نَاقَةٍ سَيَأْتُونَ مِنْ بَعِيدٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ เส้นถึกรพวกเขาจะได้เข้าร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาและกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ในวันที่เป็นที่รู้กันดีอยู่คือวันเชือดตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากศักดิ์ศรีเท้า ดังนั้นพวกเจ้าจงกินเนื้อของมันและจงให้อาหารแก่ผู้ยากจนขัดสนแล้วให้พวกเขาทําความสะอาดโดยการโกนหรือตัดผมและให้พวกเขาทําให้ครบถ้วนในเรื่องวนบาลทั้งหลายของพวกเขาและจงให้พวกเขานั้นตะวาฟเดินเวียนรอบบ้าน 99 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور มันก็เป็นการดีแก่เขาหน้าที่พระผู้อภิบาลของเขาและปะสุสัตว์ทั้งหลายได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเว้นแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวไว้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปลีกตัวออกจากความโสมมซึ่งหมายถึงจเวตทั้งหลายและจงออกห่างจากการกล่าวคำเท็จ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق แล้วผู้ใดตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เสมือนว่าเหมือนว่าเค้าร่วงลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วนกก็บินเฉี่ยวเอาเข้าไปหรือลมได้พัดพาเข้าไปยังดินแดนอันไกลโพ้นแล ذلك من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ฉะนั้นผู้ใดที่ให้เกียรติแก่พระบัญญัติแก่อัลเลาะห์ แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจและกุม فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ในประสุตสัตว์เหล่านั้นมีคุณประโยชน์มากหลายสำหรับพวกเจ้าจนถึงเวลาที่กำหนดไว้และสถานที่เชือดของมันคือบริเวณบ้านอันเก่าแก่ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ เราได้กำหนดสถานที่ทำพิธีกรรมเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์ต่อสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาคือสัตว์ 4 เท้าเช่นอูฐวัวแพะแกะฉะนั้นพระเจ้าของพวกเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวสำหรับพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจงนอบน้อมและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้นอบน้อมเถิด الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن مما رزقناهم ينفقون คือบรรดาผู้ที่เมื่อพระนามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَأُتِيَئُونَ سَمْبُونَ نَنَ رَاوْدَ گَمْنُدْ مَن ہِ مِ کُنْ سَمْرَ پُوک جاو دُی تھُ بِین سُون 1 جاک بَنْدَا کرَنگ مَای کھو اللہ پر نَ تو مَن مِ کھو دِی سَمْرَ پُوک جاو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 لَيْسَ لَنَا لَلَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ نֵอ ของมันและเลือดของมันจะไม่ถึงอัลเลาะห์ได้อย่างไรแต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงพระองค์ เช่นนั้นแหละเราได้ทําให้มันยอมจํานวนต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ในการที่พระองค์ทรงชี้แนะแก่พวกเจ้าและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ทําความดีเถิดอินนัลลอฮะยูดาฟิอูอะลัลลดีนอามะนูอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลลุคอวานกุฟูรถ้าจริงอัลเลาะห์ทรงปกป้อง บรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรูแท้จริงอัลเลาะห์ไม่ทรงโปรดปรานทุกคนที่ทรยศเนี่ยละคุณโอดีนะลิลลดีนยูกาตลูนบิอันนะฮุมฎุลิมูวะอินนัลลอฮะอะลานอศริฮิมละกอดีดสําหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้เพราะว่าพวกเขาถูกก้มเหง لَتَأْجِجَ اَللّٰهُ نَنَسْتَطِيعُ اَنْ نُسَاعِدَهُمْ يَقِيْنًا اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا, إلا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ لَهُ الدِّمَٰتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَنَازِلُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بੰਦਾ ਪੂਤੀ ਠੁਕ ਖੱਬ ਲਾਇ ਆਕ ਜਾਕ ਬਾਣ ਰੇਨ ਖੋ ਫੋਕ ਖੋ ਦੋਇ ਪ੍ਰਾਸਾਚਾ ਖਵਮ ਬੇਨ ਧਮ ਨੋਕ ਜਾ ਫੋਕ ਖੋ ਕਲਾਵ ਵਾ อัลเลาะห์คือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้นและหากว่าอัลเลาะห์ทรงขัดขวางมิให้มนุษย์ต่อสู้ซึ่งกันและกันแล้วบรรดาหอสวดและโบสถ์ของพวกคริสต์และสถานที่สวดของพวกยิวและมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวอย่างมากมายในนั้นต้องถูกทําลายลงอย่างแน่นอนและแน่นอนอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ ใต้จริงแล้วเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง